การทำความเขียนของพวกเราบางคนก็คิดว่าไม่ก้าวหน้ามีความรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าไม่รู้สึกว่าได้อะไรมีน้ำซ้ำยังรู้สึกท้อถอยไม่อยากจะทำยงจะปล่อยเวลาให้ข้ามมื่อข้ามวันไปเฉยๆขอให้ สอดส่องหาเหตุหาผลของมันโดยตนเองให้จงมากการที่เราภาวนาตั้งอกตั้งใจมาภาวนานะ่มันดีแล้วทำไมทีแรกเราถึงรู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่าอยากจะทำมาบัดนี้ทำไมมันถึงข้อถึงคอยถึงขี้เกียจขี้านานักหนา เราต้องหาเหตุหาผลมันบางทีอาจจะเป็นด้วยว่าการทมของเราน่ยมันไม่ติดต่อนี่เป็นเหตุที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของนักภาวนาทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เริ่มภาวนาเท่านั้นแม้ผู้ที่ภาวนาจิตใจสงบเคยจิตรวมเคยเป็นอุปจารสมาธิอปนาสมาธิ ได้ชา้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตามจีถ้าไม่กระทาให้สม่ําเสมอติดต่อกันให้ตลอดแล้วมีโอกาสเสื่มได้ทั้งนั้นเสื่มได้ทั้งนั้นเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เหมือนเหมือนกันต้นไม้ธรรมาชาติอย่างหนึ่งมันต้นเล็กมันก็ต้องทํางานเพืมันสม่ําเสมอ รากก็ทํางานสม่ําเสมอต้นทํางานสม่ําเสมอใบถิ่มกา้านทํางานสม่ําเสมอทั้งนั้นตลอดเวลาต้นโตมันก็ทำงานสม่ําเสมออย่างนั้นเหมือนกันถ้ามันหยุดทํางานสักบ้างมันขาดช่วงเหมือมันตายจริงๆนะเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ต้นเล็กบางทีก็เห็นโกนแห้งโคลนตายต้นใหญ่บางทีก็เห็นตายยืนตายแห้งตายมันไม่ติดต่อไม่สม่ําเสมอว่ คนเราเนี้ก็เหมือนกันนักภาวนาเนี่ยภาวนาจิต ใ, ใจสงบดีดื่มดำเมื่อไม่ได้ทำติดต่อความเพียรไม่ติดต่อกันแล้วจะด้วยสาเหตุไหนก็ขังสาเหตุไหนก็ต่างแต่ในที่สุดเป็นเหตุให้ไม่ได้ทำความเพียรติดต่อเป็นเหตุให้เสื่อมได้ความรู้สึกสงบร่มเย็นในจิตในใจเนะี่ย จะหายไปทันสีมันหายไปแต่เมือ่อไหร่เรไม่รู้อย่างเช่นว่าเราเคยมีโอกาสเรามีการได้เดินจงกรมอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกขณะเรากำหนดจิตกำหนดใจอยู่มีเหตุจำเป็นจะต้องให้เราได้ไปกังวลเรื่องอื่นอย่าเปนด้วยเคลื่อนผูกมาพูดมาคุย หรือว่าเรามีเรื่องข้องจิตข้องใจเลยไปพูดไปคุยเลยไปทำเรื่องอื่นเสียไม่มีโอกาสได้ทำการภารวนาของตนในวันหนึ่งอา้าววันหนึ่งยังน้อยไปยังนิดเดียวสองวันสมวันสี่วันมันยาวเข้าความขาดช่วงมันขาดยาวนานเกินไปความสงบที่มีอยู่มันก็เลยหมดเมื่อความสงบมีอยู่หมด ก็หมายความว่าความฟุ้งซ่านความร้อนรนร้อนแขกเผาของจิตน่มันก็เข้ามาแทนที่เท้านั้นนะ่ะมือความสงบหมดมันก็ความไม่สงบมันก็อยู่ในนั้นก็เลยเป็นเหตุให้กระวนกระวายไม่อยากจะทำและพรเนี่ความดีคือความสงบเมื่อมันหมดไปก็ ร, รือความไม่ดีคือความไม่อยากจะทำความที่สร้างก็ติดตามมาฉับพลันทันที เพราะฉานั้นต้องพยายามเราจะอยู่ที่ไหนก็ช่างที่ไหนก็แล้วแต่ต้องพยายามเข้าสู่ความสงบให้ได้เสมอเสมอนันหมายความว่าต้องให้มีการเดินจงกรมเราเคยเดินจงกรมไม่ใช่หรือเราเคยนั่งสมาธิไม่ใช่หรือเราเคยหามุมสงบหาที่สงบอยู่เป็นเอกเทศของตนเป็นปกติเป็นวิสัยมาอย่าทิ้งทิงเหล่านั้นนะเป็นเรื่องดี จิตของเราที่จะลงสู่ความสงบได้ก็เพราะเรามีการได้กระทาอย่างนั้นหาโอกาสอย่างนั้นหาสถานที่อย่างนั้นนั่นเองมันจึงเจริญมันจึงมีความร่มเย็นอยู่ได้ในนี้ถ้าเผื่อไม่ได้มีโอกาสได้ทาติดต่อแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้ความที่เราเคยสบายมันหายไปเราจงคิดให้ยงหนักเรื่องนี้วันวันหนึ่งนี้ จะจะมีงานมีการอาจจะมีงานส่วนรวมมากระทําร่วมกันทำเนี่ยหมดไปวันหนึ่งแล้วพอถึงตอนเย็นตอนค่าพอจริงงานการต่างๆเราก็ไม่ีใจทําทั้งวันพอทําเสร็จแล้วอย่าทิ้งเวลาเปล่าเปล่าอย่าไปมัวพูดโมัคุยกันอย่าไปมัวทำสิ่งองื่นให้รีบช่วยโอกาสของต น, นทําจิตอะไรให้มันแล้วเร็วๆแล้วเข้าสู่ที่สงบ ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจราบใดที่ยังไม่ได้ลงสู่ความสงบยังไม่ได้เข้าสู่ทางจงกลมยังไม่ได้นั่งสมาธิี่เข้าสู่ความสงบแล้วอย่าให้มันแล้วอย่าถือว่าวันนั้นผ่านไปแล้วให้ถือว่าเรายังมีงานค้างอยู่งานที่สาคัญค้างอยู่ยงนึกไว้อย่างนั้นเสมอแล้วถ้าเรายังนึกอยู่อย่างนั้นจิตใจ ที่คล้อยไปสู่ความที่อยากจะดีนะมันมีอยู่ยังมีอยู่ความสงบยังมีเชื้อเหลือเชื้อเหลือกำลังอยู่นั่นนะมันก็จะไป็นเ่ตถ้าเราลงสู่ความสงบแล้วจะจิตใจมันไม่ไม่ล่าไม่ถอยไปไม่หมดในทันทีมันก็ยังเป็นเหตุให้ต่อกันต่อไปได้เหมือนเชือกนี่นะเชือกเนี่ยมันจะยาวแค่ไหนนะถ้ามันขาดเป็นช่วงๆยัช่วงเนี่ยประโยชน์มันน้อยเนือกเกิน ประโยชน์มันน้อยแทบจะไม่เป็นเชือกหรอกความเป็นเชือกหมดน่ะไม่มีประโยชน์เราก็เหมือนกันอย่างนั้นอย่าได้ประมาทในอันขาดอันนี้การที่ทำติดต่อนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญอาจจะเป็นด้วยว่าเราไม่มีศรัทธานี่นี่ศรัทธาคือความอยากจะทำนั่นนะ่ะมันหายไปท่านว่าศรัทธานี่เป็นคุณธรรมเป็นกำลังกำลังก้อนแรก ที่จะพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปดีเราไม่มีกำลังอันนี้แต่ก่อนมันมีอยู่แล้วมันหายไปไหนเนี่ยความอยากจะทำมันไม่มีแล้วมีแต่ความอยากจะพักอยากจะเลิกอยากจะหนีน่ะมันเกิดเพราะอะไรเราต้องมาพิจารณาดูอ๋อเพราะเราไม่ได้ทำติดต่อเนี่ยเว้นไปสี่หลายวันไม่ได้ลงทางโยมกลมเว้นไปสักสามสี่วัน หวันเพราะวันที่หกอย่าไปเดินตรงกลมแล้วไม่อยากจะเดินแล้วเดินยอแยกยกๆแล้วก็บอกเอาแล้วพอแล้วมันได้เดินแล้ววันนี้ เ, นเล่ยเอาแค่นั้นนี่สาเหตุมันเป็นเพราะอย่างนี้เรารู้จักตนรู้จักตัวให้พยายามพิจารณาอย่างนี้การที่เรามาสู่ที่ภาวนานะี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วดีที่สุดแล้วละ่ะในชีวิตนี่นะ่ะถ้าเราเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะหาอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยแบบ ก็คือตรงนี้แหละดีที่สุดอย่างอื่นเน่ยที่เขาว่าดีเงินทองทรัพย์สินเน่ะไม่ดีที่สุดหรอกสู้อันนี้ไม่ได้พอมาถึงสุดท้ายจวนแจเขาแล้วสิ่งเรานั่งพึ่งไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยหามาแทบตายล้มลุกคุกคานในที่สุดหาประโยชน์ไม่ได้พึ่งก็พึ่งไม่ได้แต่เราทําอันนี้เน่ยฝึกจิตฝึกใจภาวนาเนี่ย ในที่สุดเราพึ่งได้อันนี้แหละจะเป็นจุดที่เราพึ่งที่สุดครั้งสุดท้ายจริงๆอันนี้มีประโยชน์มีคุณค่ามากตั้งใจทําเรามีความรู้สึกอยากจะดีอยู่จัดไว้รักษาไว้ความรู้สึกอยากจะดีคือความรู้สึกอยากจะทำความภาคความเทียนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วเรามุ่งมาดีแล้วรักษาไว้อันนี้รักษาไว้ผู้ที่เขาไม่เห็นไม่รู้สึกอยากจะทำเนี่ย มีเยอะแยะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านคนคนเกิดมาในโลกมันน้อยสิเมื่อไรเละผู้ที่นึกอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสักผีมากน้อยเราก็ยังเป็นผู้หนึ่งแล้วเนี่ยเราสาึกษามันมันถูกแล้วให้ถือว่าถูกแล้วดีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามาถูกแล้วดีแล้วเนี่ยแล้วมันจะถึงเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องมาพยายาม ในระหว่างการพยายามทำความภาคความเทียนนี้ก็จะต้อ ง, เ, องเราเป้าระมัดระวังด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องปู่ท่านเทศเรื่องอิทธิบาทสีฉันทะวิรยะจิตตวิมังสาเนะี่ถ้าเราจะทำอะไรถ้าใช้คุณธรรมสี่ประการนั้นคือให้มีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่ย่อมสำเร็จได้การภาวนานี่ก็เหมือนกันต้องมี สันทะคือความอยากจะทำทีนี้ความอยากจะทำาโลหายมันทำไมหายพยายามสร้างให้มีขึ้นชิดหาเหตุหาผลแล้วก็แก้ไขซะความอยากจะทำมันก็เกิดมีขึ้นสันทะวิริยะคือความภาคความเกิดก็รีติดตามมาทันทีเพราะนึกใ้ว่าอยากจะทำอยากอย่ากต้องเอาไว้ถึงพรุ่งนี้รีบทำทันทีในขณะนี้ละ่ะอย่านึกว่าเอาไว้ตอนเย็นตอนไหนตอนนี้ทีเดียว จิตตะคือความเอาใจใส่ใเมื่อพอเราเดินจงกรมแล้วก็เอาแล้วเตาลงสู่ทางจงกรมแล้วปล่อยจิตปล่อยใจได้สบายเพราะ น, นี่แต่ว่าเราเดินจงกรมอย่างนั้นไม่ใช่ต้องจิตใจเฝ้าจดจอ่อเข้าดูเข้าดูอยู่ตลอดเหมือนคนขับรถเนี่ยนายใหญ่บอกพอขึ้นไปขับแลสตาร์ทแล้วรถมันวิ่งออกไปได้หลือสบายไม่ต้องมองเลยไม่ใช่มันจะต้องเฝ้าดูอยู่ควบคุมปวงมาลัยอยู่ ให้มันตรงทางอยู่เสมอนั่นแหละแล้ววิมังสาคือความไต่จองหาเหตุหาผลเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากถ้าเราพิจารณาดูว่าทําไมเราจึงเกิดความลาความถอยนี่ก็เป็นวิมังสาอย่างนี้นถ้าเราภาวนาไปแล้วทําไมมันไม่ค่อยก้าวหน้าจิตใจทําไมมันไม่ค่อยมันโค้งรงอยู่ทําไมไม่ก้าวหน้า แล้วพี่นานาเนี่ยหาเหตุหาผลการพี่นาหาเหตุหาผลนี่ในที่สุดจะพบสาเหตุมันใช้อิทธิบาทสี่นี่แหละมาประกอบประกอบในการที่ดำเนินไปบนเส้นทางภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเอาธรรมะหมวดนี้มาใช้แล้วจะทำอะไรก็สําสำเร็จสมปรารถนาทั้งนั้นเราจงคิดอย่างนี้ละแล้ให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะมาตักมาเตือนกันบ่อยเท่าไหร่ นักภาวนาเขาไม่พูดกันมากเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะี่ยที่เรามาพูดกันอยู่นี้เนะี่ะไม่ใช่ว่าเพื่อจะเอาอะไรยัดเยียดให้กันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่จะสั่งจะสอนลายกันหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้แล้วเราจะภาวนาอย่างไรเรารู้แล้วหลวงปู่ท่านสอนอยู่แล้วเราเคียงว่าเราได้สะกกิดกันหน่อยนี่พวกเรากําลังเดินไปด้วยกันนี่นะถ้าใครเป็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ล่ะให้รู้ตัวนะ ว่าตัวเองเนะี่ะบกพร่องค อ, งองนั้นคอนี้แล้วรีบแก้ไขตนเองนี่ัญไมยความไว้อย่างนั้นที่เราพูดเราคุยกันให้เกิดมีกําลังใจแต่ว่าทางที่จะดําเนินนั้นย่อมรู้จักตัวใครตัวใครเมื่อเราได้บอกได้พูดได้คุยกันแล้วใครจะสนใจทําหรือไม่ใครจะสนใจไหมถ้าสนใจก็ดําเนินต่อไปได้แต่ใครมีสนอกสนใจก่อนว่าเรื่องของใครของมัน เรื่องของฉันฉันไม่ทำก็จังเพราะฉันเปอะไรอันนั้นก็สุดวิสัยที่จะช่วยได้เราต้องรู้จักมีความรับผิดชอบในตนเองเราเสวเวลามาเข้ามาสู่การปฏิบัติเวลานคือชีวิตเราเสียชีวิตไปช่วงหนึง่งมาเพื่อปฏิบัติมาสู่ที่มันดีที่สุดแล้วแล้วในที่สุดก็ยังจะทิ้งอีกนะสิ่งที่ดีๆยังจะทิ้งอีกน่าจะไปหาเอาที่ไหนมันจะดี เราคิดอย่างนี้แหละจิตใจอาจจะมีกําลังมีกําลังจิตกําลังใจจะทํามากขึ้นผู้บาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่ต่างๆนะท่านผ่านท่านเดินไปตรงนี้แหละเดินไปแบบเรานี่แหละท่านก็เคยเป็นผู้ใหม่ผู้เข้ามาปรเพืเ่อปฏนบัติใหม่มาปฏิบัติกับอาจารย์ท่านเดินเที่ยวลุกขมูลไปบ้างเดินจงกรม ทำความภาความเพียนอย่างขยันขันแข็งแล้วในที่สุดท่านก็ตายมาเป็นครูบาอาจารย์ก็เรามีความเพียงกาศสัมมาในที่สุดท่านก็ขานไปพวกเราก็ดําเนินเดินกันมันก็ต้องทําแบบเดียวกันนั่นแหละไม่มีใครจะหยิบยื่นอะไรให้ใคได้ต้องคิดดูตัวเองตัวเองทอง ถ, ถอยหรือไม่ตัวเองขาดช่วงปฏิบัติแล้วจะให้จิตใจเฮง้างไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นนะ ให้หาวิธีแก้ไขตนเองให้มีจิต ใ, ใจกระตือนล้น อ, อยากจะทำแล้วก็รีบทำทันทีให้รู้ว่าความที่ไม่ติดต่อ น, นี่แหละเป็นสาเหตุยิ่งใหญ่อันทำให้นักภาวนาล่มควาำไปนักต่อ น, นักแล้วแม้กระทั่งผู้ที่ท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัตนนนินานแสนนานมีความประพฤติความเป็นไปในจิตในใจ ดีมากๆแล้วเช่มแข็งมากๆแล้วก็ยังพลาดจนได้เนื่องจากความไม่ได้ทำติดต่อมีสาเหตุว่าต้องคุกคลีกับงานกับการคุกคลีกับหมู่กับเพื่อนคุกคลีกับอะไรต่างๆไม่ได้กำหนดจิตไม่ได้กำหนดใจไม่ได้ลงสู่ความสงบเป็นเหตุให้ท่านเหล่านั้นในที่สุดก็หลุดออกไปจากวงการปฏิบัติ ออาต่อไปนี้ฟังเทศครูบาอาจารย์แล้วก็นั่งภาวนาต่อ